างแห่งความดีโดยวสิณอินทสระคําอุทิศขอน้อมอุทิศบูชาพระคุณแห่งพระพุทธโคสาจารย์ผู้รจนาอัตถกถาธรรมบทด้วยคารวะอันสงยิ่งและขอนอบน้อมบูชาพระคุณแห่งพระเทรานุเถระ ผู้บริหารพระศาสนาสืบสืบกันมาตราบจนปัจจุบันนี้วสินอินทสระคำนอบน้อมของผู้เรียบเรียงพระเถระใดานามว่าพุทธโคสาจารย์ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวซึ่งพระเถระนั้นผู้มีคุณสมุทัยเป็นอเนก มีศีลอันบริบูรณ์และอาจาระอันงามเป็นต้นเป็นผู้ประดับด้วยคุณคือศรัทธาความเพียรและปัญญาผู้ซื่อตรงอ่อนโยนฉลาดในลัทธิของตนวงเล็บพระพุทธศาสนาและลัทธิของผู้อื่นวงเล็บศาสนาอื่นๆมีญานและปัญญามิได้ติดขัดในคำสอนแห่งพระศาสดา ฉลาดรอบรู้ทั้งในพระตรปิฎกและอัตถกถามีความชํานาญในไวยากรณ์พูดได้ไพเราะอ่อนหวานเป็นนักพูดชั้นเยี่ยมเป็นมหากวีเป็นเครื่องประดับของหมู่คณะรุ่งเรืองดังประทีปในหมู่พระเถระด้วยกันมีความรู้ไม่ติดขัดในอุตตริมนุสธรรมวงเล็บธรรมอันยิ่งของมนุษย์ มีอภิญญาหกและปฏิสัมพิทาสี่เป็นต้นมีความรอบรู้หมดจดบริบูรณ์ได้รจนาคำภีอัตถกถาธรรมบทไว้แล้วข้าพระเจ้าได้อาศัยแนวแห่งอัตถกถาธรรมบทอันท่านเรียบเรียงไว้อย่างดีแล้วในภาษามากดหรือบาลีนั้นรจนาทางแห่งความดีนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทั่วไปไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในหมู่ภิกษุสงฆ์เท่านั้นและเพื่อผลงานอันเป็นอมตะของท่านพุทธโคสาจารย์จะได้แพร่หลายยิ่งขึ้นสมโนปนิธานของท่านผู้รจนาด้วยอานุภาพแห่งการนอบน้อมและกุศลเจตนานี้ขออุปสรรคอันตรายทั้งปวงจงสิ้นไปอย่าได้มา ขวางกั้นการรดชนานี้ขอให้การรดชนาทางแห่งความดีจงสําเร็จลงด้วยดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้มุ่งประโยชน์ตลอดกาลและนานเทินวสินอินทศระคานําในการพิมพ์ครั้งที่4สํานักพิมพ์ธรรมดาโดยคุณสันติและคุณจันทิราขออนุญาตพิมพ์หนังสือชุดทางแห่งความดี ด้วยศรัทธาในหนังสือชุดนี้เป็นอย่างยิ่งตั้งใจจะจัดทำรูปเล่มใหม่มีภาพประกอบเพื่อให้ทันสมัยขึ้นเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากขึ้นและเก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อกุศสเจตนาอันนี้หนังสือทางแห่งความดีเล่มหนึ่งนี้ได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ27ิจพฤศจิกายนสร เป็นเวลา น, านานถึง32ปีมาแล้วรายละเอียดโปรดดูคำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้าจมีความสุขใจที่ได้ทราบว่านังสือชุดนี้เป็นที่นิยมอ่านของชาวพุทธจำนวนไม่น้อยและนำออกทางรายการวิทยุหลายรายการพระบางรูปได้นำไปเป็นแนวเทศนาและบรรยายธรรมบางวัดอ่านให้กันฟัง หลังจากสวดมนต์ทำวัดเช้าหรือทำวัดเย็นเสร็จแล้วเป็นการช่วยกันส่งเสริมพระัธรรมให้แพร่หลายตามกำลังของแต่ละคนในหนังสือชุดนี้ท่านผู้อ่านจะได้แก่นธรรมในส่วนที่เป็นพระพุทธภาษิตจะได้ความรู้เกี่ยวกับมติของพระอัตถกาถาจารย์จากนิทานประกอบเรื่องและได้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธภาษิตมากขึ้นจากคําอธิบายขยายความของผู้เขียน ถ้าท่านอ่านจบทั้งสีเล่มของหนังสือชุดนี้ท่านจะเข้าใจพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมเป็นอันมากและแม้ในส่วนที่ลึกซึ่งก็จะได้จากพระพุทธภาษิตซึ่งขึ้นต้นไว้ทุกเรื่องข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือซึ่งพิมพ์ใหม่โดยสำนักพิมพ์ธรรมดานี้จะเป็นประโยชน์ยั่งยืนมากขึ้นขอไวพรให้สำนักพิมพ์และท่านผู้อา่านประสบความสุขและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทศระยี่สิบพฤจิกายนสองพันห้าร้อยสี่สิบคำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าเคยแนะนำให้ผู้รู้จากคุตเคยหลายท่านอ่านคำพีอัตถกถาธรรมบทฉบับแปลเป็นไทยโดยคณะกรรมการแผนกตำรามหมากุฏ ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สองสามเดือนต่อมาเมื่อได้พบกันอีกท่านเหล่านั้นบอกว่าอ่านไม่เข้าใจหมายความว่าไม่รู้เรื่องเป็นส่วนมากท่านเหล่านั้นเป็นผู้สนใจในพระพุทธศาสนามีการศึกษาดีมีวัยสามสิบล่วงแล้วเคยผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยก็มี เมื่อได้รับคำตอบว่าเมื่ออ่านอัตถกถาธรรมบทไม่รู้เรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงมาดำริว่าทำอย่างไรให้สมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาชุดนี้สำเร็จประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปได้บ้างการที่ชาวบ้านทั่วไปแม้มีการศึกษาดีอ่านอัตถกถาธรรมบทแฉบบของแผนกตารามหมามกุฏราชวิยาลัยไม่รู้เรื่องนั้น จะไปโทษท่านผู้แปลไม่ได้เพราะท่านแปลมุ่งรักษาศัพท์และรูปประโยคไว้เพื่อเป็นคู่มือของนักเรียนบาลีโดยตรงไม่ได้คิดออกไปถึงชาวบ้านด้วยดังข้อความตอนหนึ่งในคำนำของแผนกตำราว่าแต่การแปลนั้นได้ขอให้แปลตามวิธีการที่กองตำราได้วางไว้เพื่อให้หนังสือเป็นระเบียบเดียวกันไม่ลักลั่นโดยถือหลักว่าแปลให้ได้ความชัด สํานวนเรียบร้อยไม่โลดโผนจนเสียหลักของภาษาและแปลเท่าศัพท์วงเล็บคือเท่าที่ศัพท์มีอยู่อีกประการหนึ่งสํานวนบาลีนั้นเข้าใจยากสําหรับผู้ไม่คุ้นเคยและไม่เคยเรียนภาษานั้นมาก่อนเนื่องจากข้าพเจ้าเรียนมาทางพระพุทธศาสนาโดยตรงคลุกคลีอยู่กับพิชาการทางศาสนามานานจึงคิดว่า จะทำอัตกถาธรรมบทใหม่ใช้สํานวนง่ายถอดเอาแต่ใจความไม่ต้องรักษาสั์และรูปประโยคอย่างที่แผนกตารามหามากุฏราชวิทยาลัยจัดทําเมื่อตกลงใจแล้วก็ลงมือทําเริ่มด้วยการยกเอาคาถาพุทธภาษิตเป็นบทตั้งแล้วแปลอธิบายความและนําเรื่องมาประกอบตามลําดับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตอนใด ควรออกความเห็นหรือบันทึกอย่างไรข้าพเจ้าได้ทำไว้ที่เชิงอัดหรือฟุตโนตทุกแห่งไปข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการแผนกตำรามหามากุฏราชสวิทยาลัยและท่านผู้แปลเดิมที่ได้ทำแนวทางไว้ซึ่งข้าพเจ้าได้อาศัยเป็นอันมากในการจัดทำทางแห่งความดีครั้งนี้พระธรรมบทตัวจริงนั้นเป็นพระพุทธภาษิตล้วนอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม 25ระหว่าง 71, หน้า15ถึง71รวมห6หน้าแบ่งเป็น26วัิกรไม่มีนิทานและคำอธิบายใดๆแต่อัตกถาธรรมบทของพระพุทธโคสาจารนั้นมีเรื่องราวประกอบพระพุทธภาสิทธเรื่องเหล่านั้นส่วนใหญ่ท่านเก็บมาจากพระไตรปิฎกบ้างจากอตตกถาอื่นๆบ้างมาห่อหุ้มเพชรอันล้ำค่าคือพระพุทธภาสิทไว เป็นธรรมนองนิยายอิงหลักธรรมดังได้กล่าวแล้วตำราเหล่านี้ตีพิมพ์ในภาษาบาลีแม้จะแปลแล้วแต่แปลเพื่อเป็นคู่มือภิกษุสามเณรผู้เรียนบาลีโดยตรงแม้กระนั้นก็ตามมีภิกษุนักศึกษาปริญญาโทท่านหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่าลองอ่านธรรมบทแปลอีกครั้งหนึ่งแล้วยังรู้สึกว่าเข้าใจยากอยู่นั่นเอง หนังสือที่ท่านถืออยู่นี้ข้าพเจ้าพยายามทำให้ง่ายอย่างที่สุดแล้วเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปผู้มีการศึกษาเป็นพื้นฐานมาแล้วพอสมควรและมีความสนใจในทางธรรมอยู่บ้างส่วนที่เป็นพระพุทธภาษิตนั้นได้คงไว้ในรูปบาลีเพื่อสะดวกแก่ท่านผู้ต้องการค้นคว้าอ้างอิงหรือจดจา ข้าพเจ้าทราพว่ามีฝรั่งบางคนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพียงเพราะได้อ่านคมภีอัตถกถาธรรมบทเพียงคมภีเดียวเท่านั้นคมภีนี้เป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งซึ่งส่องแสงแวววาวอยู่ในสังฆมณฑลแห่งราชอาณาจักรไทยความพยายามของข้าพเจ้าในครั้งนี้ก็เพื่อให้เพชรเม็ดนี้รุ่งเรืองขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย ความหวังของข้าพเจ้าจะสำเร็จผลเพียงใดนั้นไม่สามารถคาดล่วงหน้าได้แต่เชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าท่านผู้อ่านอ่านหนังสือชุดนี้จบทุกเล่มท่านจะได้รับประโยชน์ทั้งทางความรู้และทางจิตใจชื่อหนังสือเรื่องนี้ว่าทางแห่งความดีนั่นเป็นการแปลอย่างตรงตัวจากคาว่าธรรมบทนั่นเองเป็นฉบับภาษาอังกฤษใช้คาว่า the path of บ้าง a Part of Goodness บ้างซึ่งก็แปลว่าทางแห่งความดีเหมือนกันคำว่าทมตัวเดียวในภาษาบาลีนั้นมีความหมายมากมายหลายประการแต่โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงคำว่าทมความสำนึกของพวกเราก็เล่นไปที่คุณงามความดีทมในคำว่ารรมบทนี้ก็มีความหมายอย่างนั้นข้าพเจ้าจึงพอใจให้ชื่อนังสือนี้ว่าทางแห่งความดี บุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดีแต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดีก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ทํานองเดียวกันบุคคลแม้ต้องการหลีกความชั่วแต่เมื่อไม่รู้จักความชั่วไม่เห็นโทษของความชั่วเขาจะละเว้นความชั่วได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ได้ชี้ทางแห่งความดีและหลุมพรางแห่งความชั่วไว้โดยตลอดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่น้อย บุญกุศลใดพึงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในการจัดทำเรื่องนี้ขอบุญกุศลนั้นจงเป็นปัจจัยอันมีกำลังช่วยสนับสนุนประคับประคองให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่แต่ในทางแห่งความดีกีดกันการแวะเวียนไปสู่ทางแห่งความชั่วให้พอใจในกุศลสุดจริตเหินห่างจากโลคาพาดภัยพิบัต มีความปรารถนาที่ชอบทำเต็มบริบูรณ์มีกำลังกายกำลังใจในการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนร่วมชาติของข้าพเจ้าตลอดชีวิตวสินอินทศระ7พฤศจิกายน2514าร้อคำนำในการพิมพ์ครั้งที่สองจากการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งวงเล็บพศสอ1 5มาจนถึงบัตรนี้เป็นเวลา7ปีเศษ ย่างเข้า8ปีเวลา8ปีได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปเป็นอันมากถ้าเด็กคนหนึ่งอายุ13ปีเมื่อ8ปีก่อนมาบัด น, นี้ก็มีอายุได้20ปีบริบูรณ์ย่างเข้าปีที่21ถ้าเขาเป็นผู้ชายก็สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้ความรู้สึกนึกคิดความรู้ความสามารถของเขาย่อมจะแตกต่างจากเมื่ออายุ13บสขวบเป็นอันมาก เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้เปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งหลายคราวในระยะเวลาแปดปีมีคนเปลี่ยนกันเข้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยถึงเจ็ดคนแปลว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทําให้ชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องอยู่กับเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นอันมากทั้งทางดีและทางร้ายสุดแล้วแต่กรรมของแต่ละคน แต่สิ่งหนึ่งซึ่งยังคงดำรงมั่นแสดงสัจจะบอกทางแห่งความชั่วความดีแก่มนุษย์อยู่ตลอดเวลานั่นคือพุทธธรรมซึ่งยังคงทอแสงรุ่งโรดสองทางให้ผู้มีจักสุคือปัญญาได้มองเห็นว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำและยังชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกษมสารชี้ทางพระนิพานันพนุทธโสภยิยภัยอยู่ชั่วนิรันดร์การ การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิตข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีทางใดจะให้ความสุขความร่มเย็นแก่ชีวิตเท่าทางแห่งความดีขอชี้แจงไว้ในโอกาสนี้ด้วยว่าหนังสือชุดนี้มีทั้งหมดสี่เล่มด้วยกันสําหรับเล่มที่สี่แบ่งเป็นสองตอน เพื่อไม่ให้หนาเกินไปข้าพเจ้าขอขอคุณท่านผู้อ่านทุกท่านและขออาราธนาคุณพระตนะไตรรวมทั้งคุณงามความดีทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จสมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามและชอบธรรมจงทุกประการวสินอินทศระสภ า, าการศึกษามหามากุฏราชวิเยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา27สมีนาคม2523าาคำนำในการพิมพ์ครั้งที่3หนังสือนี้พิมพ์ครั้งที่2เมื่อปีพศ2523มาถึงเวลานี้เป็นเวลา10ปีพอดีตั้งแต่พศ2 5 2 3ถึง2533 ได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งในสังคมของเราและสังคมโลกรวมทั้งในแวดวงชีวิตของข้าพเจ้าเองด้วยเวลาสิบปีนานพอที่จะเปลี่ยนอะไรๆ ไ, ได้มากทั้งทางดีและทางร้ายสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าสร้างเหตุปัจจัยในทางที่ดีย่อมเปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้าตรงกันข้ามย่อมเปลี่ยนไปในทางที่ร้าย ขณะที่เขียนคำนำนี้วันเบช้าวันที่5มกราคมพศ2534โลกกำลังประวัติพรั่นปรึงต่อสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งอาจระเบิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จุดระเบิดอยู่ที่เหตุการณ์ณอ่าวเปอร์เซียประเทศอิรักทั้งนี้ย่อมสุดแล้วแต่การตัดสินใจของชาติมหาอำนาจต่างๆซึ่งกำชัตาของเหตุการณ์โลกไว้ ตามประวัติของมนุษยชาติเท่าที่พอรู้ได้ตั้งแต่อดีตการนานไกล จ, จนปัจจุบันมนุษย์ได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาและดิ้นรนเพื่อสนองกิเลสตัณหาอย่างน่าสมเพชเวทนามนุษย์ได้ค่อยๆสะสมอาวุธยุศโธปกรณ์อันมีอำนาจทำลายมหาศาลขึ้นเรื่อยๆเพื่อทำลายล้างผู้อื่นบ้างเพื่อป้องกันตนเองบ้างเพื่อสนองความโลภความโกรธและความหลงของตนบ้าง ซึ่งในการนี้พวกเขาจะต้องลงทุนลงแรงมากมายเหลือขนานับถ้าพวกเขาใช้ทุนและแรงเหล่านี้ไปในทางสร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างสมอารยะธรรมในความหมายอันถูกต้องทองแท้จริงๆแล้วมนุษย์เราจะเป็นอารยะชนอันพึงนิยมสักเพียงใดถ้ามนุษย์เรามีธรรมสักข้อหนึ่งเป็นหลักสาหรับดำเนินชีวิตนั่นคือสัมมาสังกัปปะ ความคิดที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตไปตามความคิดนั้นแล้วโฉมหน้าของสังคมและของโลกคงจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวความคิดที่ถูกต้องนั้นพระพุทธองค์ทรงให้คำนิยามไว้ว่าคือความคิดที่ปลีกตนออกจากสิ่งยั่วยวนทั้งหลายความคิดในการไม่พยาบาทความคิดในการไม่เบียดเบียนนั่นคือให้มีชีวิตที่เรียบง่ายมีเมตตาการุณาต่อกัน หวังประโยชน์เกื้อกูลต่อกันถ้ามนุษย์เราดำเนินชีวิตยอยู่ในรอยนี้แล้วโลกจะสงบเย็นเพียงใดความไม่เบียดเบียนนั้นเป็นบรมธรรมไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเองบางคนควบคุมตนไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถท่ามใจตนเองไม่ให้คิดไปในทางเบียดเบียนตนเองทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่เสมอ ความร้อนเกิดขึ้นในตนก่อนแล้วแผ่ขายายไปสู่ผู้อื่นถ้าเป็นผู้มีอำนาจมากความร้อนก็ ข, าขายายออกไปมากถ้าแต่ละคนดับความร้อนในใจตนเสียได้สังคมก็จะดับเย็นสนิทการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงต้องดำเนินชีวิตอยู่ในทางแห่งความดีชีวิตจึงจะดีงามและมีความสุขยั่งยืน ความดีเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากถ้าเราเรียนรู้วิธีทําความดีและรู้จักจุดความพอดีว่าอยู่ที่ใดคนดีทําความดีได้ง่ายทําชั่วได้ยากส่วนคนชั่วทําความชั่วได้ง่ายทําดีได้ยากวงเล็บพระพุทธพจน์ถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีอยู่เสมอด้วยจิตใจที่มั่นคงว่าจะไม่ละทิ้งความดีแล้วชีวิตของเราจะราบรื่นพาสุข ตามสมควรแก่กําลังแห่งความดีที่จะอํำนวยให้ความทุกข์ย่อมมีบ้างตามธรรมดาของชีวิตที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรแต่ขอให้ถือว่านั่นเป็นการใช้นี่เก่าซึ่งมีแต่จะหมดสิ้นไปถ้าเราไม่ทําเพิ่มชีวิตมนุษย์มีความทุกข์มากโดยสภาพธรรมดาอยู่แล้วมนุษย์ยังเพิ่มความทุกข์ให้แก่กันโดยการเบียดเบียนกันเข้าอีก พวกเขาจะต้องทนทุกทรมานในการดํารงชีวิตสักเพียงใดสังคมมนุษย์จะมีความสุขที่แท้จริงได้ก็ด้วยการดําเนินอยู่ในทางแห่งความดีไม่มีเวรกับใครไม่ก่อเวรและไม่ผูกเวรไม่อาดุลด้วยกิเลสไม่ขวนขวายเพื่อสแสวงหาสิ่งเกินจําเป็นไม่แพ้ใครไม่ชนะใครเพราะไม่แข่งขันชิงชัยกับใครสิ่งเหล่านี้แม้จะทํายาก แต่มีตัวอย่างมนุษย์ที่ทำได้อยู่ไม่น้อยผู้หวังสันติสุขจึงควรดำเนินชีวิตตามสันติบทซึ่งท่านผู้ฉลาดได้ดำเนินมาแล้วและโลกก็ได้ยอมรับว่าเป็นชีวิตที่งดงามในโอกาสขึ้นปีใหม่พศ2534ขอสันติสุขพึงเมแก่ท่านทั้งหลายตามสมควรแก่กำลังแห่งการปฏิบัติขอท่านผู้ดารงอยู่ในธรรมพึงได้รับการคุ้มครองจากธรรมตลอดการทุกเมื่อ วสินอินทสระเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสี่